ผู้ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสรรเสริญสนท น, นามาอีกแล้วนะคะดิฉันสรรเสริญ น, นาคพงค่ะรายการนี้เรามีพระภิกษุที่มาให้ความรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไวา้นั่นคือพระเพูลุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายศูุดรนธานีและสําหรับในห่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นการตามรอยการที่คณะของท่านได้เดินทางไปแสวงบุญที่สังเวชนียสถานณชมพูทวีป ประกอบไปด้ประเทศอินเดียแล้วก็เนปาล น, นะคะเมื่อวันก่อนนั้นท่านก็เล่าถึงตอนที่ไปพุทธคยาสำคัญในเรื่องของการเล่าไม่ได้เล่าว่าเดินทางแบบนะักท่องเที่ยวนะคะแต่เล่าถึงการเดินทางแบบผู้ปฏิบัติแล้วก็คิดว่าเป็นการเดินทางของผู้ปฏิบัติในลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างกับที่เขาทำกันมา เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อแต่ว่าอย่างไรอยากจะบอกทุกท่านว่ารายการนี้มีความพิเศษ ส, สุดก็คือตอนช่วงต้นของรายการจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสที่ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันเลยก็ขอให้ท่านเตรียมตัวนับตั้งแต่นาทีนี้เพราะว่าท่านกําลังจะได้ไปพบกับพระจันทร์ไพลบุญซึ่งจะนําท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการด้วยค่ะกร่านณบุษ ก, การค่ะท่านคะเชิญพรในเรื่องของการปฏิบัตินั้นด้วยการให้เรามีสติ อยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะโดยการที่ให้เรามากําหนดรู้ไม่ว่าจะเป็นคําว่ากําหนดรู้ระลึกรู้ตั้งสติเอาไว้คําเหล่านี้ก็มีความหมายที่เหมือนกันว่าให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราเวลาที่ลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้านี้เราตั้งสติเอาไวนะ้คือตั้งใจในการที่จะให้มาจดจ่ออยู่ที่นี่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เฝ้ายาม หรือนายทวารที่เฝ้าประตูแต่เขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกแต่จะอยู่บริเวณประตูแต่เช่นเดียวกันเราจะไม่ได้ตามลมหายใจที่เข้าไปหรือออกมาไม่ได้ตามความคิดที่มันจะคิดไปเรื่องอดีตอนาคตแต่ให้ใจของเรามาอยู่ตั้งอยู่ในที่ตรงนี้เมื่อไรก็ตามที่ใจของเรามาระลึกถึงลมหายใจเมื่อนั้นเรามีสติทันทีเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติเราจะสามารถที่จะ ทําจิตของเราให้มีสมาธิเสติปตฐาน4ี่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ า, ามีความเชี่ยวชาญมีความฉลาดมากมีในสมัยหนึ่งได้เคยตรัสเรื่องนี้กับท่านพระสารีบุตรแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ า, าอยู่ที่เราบป่า ท, ทางด้านตะวันตกของเมืองเวสาลีแล้วได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรไว้อย่างนี้ว่าสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า ช่วงเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นที่ตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นแต่ถ้าเมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการนานผ่านไวัยไปแล้วมีอายุ80สปี เก้าสิบปีหรือร้อยปีจากการเกิดเมื่อ น, นั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นเรานิแลในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้แปสิบปี สาวกบริษัทของเราในธรรมะวินัยนี้แต่มีอายุถึงร้อยปีเป็นผู้ตั้งอยู่ได้ร้อยปีประกอบด้วยสติทิฏฐิอันยอดเยี่ยมและปัญญาอันเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งคือเปรียบเหมือนนักธนูที่มั่นคงได้รับการฝึกหัดช่ำชองดีแล้วมีการแสดงฝีมือมาแล้วพึ่งยิงรวงตาลดยขวาง ให้ตกโดยลูกสอนขนาดเบาโดยง่ายแม้ฉันใดสาวกบริษัททั้งสี่ของเราผู้ที่มีสติอันยิ่งมีปัญญาทรงจำอันยิ่งประกอบด้วยปัญญาอันเฉลียวฉลาดอย่างนี้ถ้าเธอพวกนั้นพึ่งถามปัญหาในเรื่องสติประฐานทั้งสี่ก็เราแล้วเราถูกถามปัญหานั้นๆพึ่งตอบปัญหานั้น แก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอพึงทำความทรงจำในปัญหาที่เราพยากรณ์แล้วไม่ได้สอบถามให้ซ้ำกันสองคำถามเว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสวะธรรมาเทศนาของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบจากสิน้นบทเพียรยชนะแห่งธรรมของตถาคตนั้น ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นความแจมแจ้งแห่งปัญญาของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้สาวกบริษัทสี่ของเราเหล่านั้นที่มีอายุร้อยปีตั้งอยู่ได้ร้อยปีพึงทำกาละล่วงไปโดยร้อยปีแต่ธรรมเทศนาที่ตถาคตแสดงไปแล้วนั้นก็ไม่ได้แปรปรวนบท แห่งธรรมของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนปฏิพันธ์ในการตอบปัญหาของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนสารีบุตรแม้ว่าพวกเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยๆสำหรับหามคนทุพพลภาพแต่ความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมบ้องไหวของตถาคตก็ไม่ได้มีถ้าผู้ใด จะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์ที่มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น เป็นเรื่องราวที่ประชจ้าได้ตรัสไว้ให้กับท่านพระสารีบุตรที่เมืองเวสาลีเช่นปานสาธุค่ะเท่ากับว่าท่านกําลังจะนําพวกเราทั้งหลายตามคณะของท่านเนี่ยไปยังเมืองเวสาลีด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะหลังจากที่ออกจากเมืองที่พุทธคยาใช่ไหมก็ได้มีโอกาสไปที่เมืองเวสาลีในซึ่งในที่นั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญ คือในช่วงแรกๆของสมัยพุทธกาลเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่เมืองกริลพัสนนี่คือประมาณสักปีที่14ของการบรรลุสัมมาสัมบริยานก็บวชออกจากบ้านได้21ปีใช่พระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับไปที่เมืองนิคโครธารามนะในที่นั้นก็มีแม่น้านก็อยากจะขอบวชกับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้บวชนะก็หลังจากเดินทางกลับมาจากที่เมือง กบิลพัทนะก็ได้มาที่เมืองเวซาลีตรงนี้แตนะ่ซึ่งตรงนี้จึงเป็นจุดที่กําเนิดแห่งนางพิสุณีในปีที่22นะมั้งนะถ้าจำไม่ผิดแห่งการที่หลังจากที่พระชจ้าวบวชซึ่งเรื่องราวในการ เ, าเกิดพิสุณีขึ้นตรงนี้แลก็เป็นเรื่องราวที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจเช่นว่าพระเจ้าได้ให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะโคตุกรรมนะแ ป, ะประการาแกนางพิสุณีทั้งหลาย เช่นว่าต้องอยู่ในอาวาที่มีภิกษุงดการสั่งสอนภิกษุงดการสั่งสอนภิกษุภิกษุณีจะต้องกราบภิกษุไม่ว่าจะพึ่งบวชก็ตามลักษณะนี้เป็นต้นซึ่งที่ตรงนั้นคําว่าป่ามหาวันเนี่ยหมายถึงว่าป่าที่เป็นป่าใหญ่ซึ่งบางทีเราก็จะได้ยินชื่อป่ามหาวันอยู่ที่เมืองกบิลพัฒน์บ้างอยู่ที่นิโครธารามบ้างอยู่ที่เมืองเวสาลีบ้างก็คือเป็นป่าอยู่ที่ ชายเมืองเขาตีนเมืองเขาอย่างนี้จะมีแต่ถ้าเราจะพูดถึงป่ามหาวันที่จะมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็จะเป็นที่เมืองเวสารีตรงนี้นอกจากนี้เหตุการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นะคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงท้ายพุทธกาลสมัยพุทธกาลและตอนนั้นพระเจ้าก็จะเสด็จจากที่เมืองเวสารีนี้ที่เปที่ป่ามหาวันเนี่ยไปที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นก็เป็นพรรษาที่79 นนท่านพระสารีบุตรยังไม่ปรินิพานนะคือหลังจากที่แยกกันจากท่านพระสารีบุตรตรงนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็กลับไปที่เมืองราชกุลแล้วก็ปรินิพานพระเจ้าก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็กลับมาที่เมืองเวสาลีนะคือเดินทางที่จะไปปรินิพาลนละในระหว่างที่เดินได้ข่าวการปรินิพานจากของท่านพระสารีบุตร ท, ที่ที่วัดเจตวันแล้วก็เดินทางกลับมาที่เมืองเวสาลีนี้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั K ้นไม่มีท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วนะซึ่ง เ, เหตุการณ์ที่ท่านพระสารีบุตร ไ, ได้บอกกับท่านพระสารีบุตรว่าเนี่ยเราเป็นผู้ที่ไม่มีความหลงนะไม่มีความหลงหมายว่าแก่แค่ไหนก็ตามอ่ะแต่ไม่หลงไม่ลืมนะปฏิพันธ์ในการตอบปัญหา ย, ยังเฉียบแหลมเฉียบคมอยู่ถึงแม้จะป่วยขนาดว่าเหว่าหามขึ้นเตียงกันไปแล้วก็ยังคมชัดในเรื่องบทเปลี่ยนในการตอบปัญหานี่หมายในเยี่ยมมากน ะ, นะขนาดว่าถ้ามีสาวก4ี่คนถามคําถามที่ไม่ซ้ํากัน นัในเรื่องสติปัฏฐาน4ี่อย่างที่เราฝึกนี่แหละนะบทเพียนใช้ในการตอบของพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่ซ้ํากันนะจะยกอุปมารตรงนี้ยกเรื่องนั้นมายกตัวอย่างอะไรต่างๆนะอยู่เป็นอย่างเงี้ยร้อยปีไม่ต้องพักไม่ต้องนอนไม่ต้องไปอุท่องน้ำอะไรทั้งสิน้นแะล้วก็ยังพูดได้ไม่จบไม่สิน้นนี่มีความฉลาดหลักแหลมขนาดนี้ให้ให้เห็นภาพะนะค่ะนะคือถ้าอกว่พระสูตรในตอนต้นที่ท่านได้กล่าวมาเนี่ยเป็นห่วงเวลาหนึ่งที่ขณะที่พระสารีบุตรนั้น ยังมีชีวิตยอยู่ใช่ใแล้วก็ได้ตรัสถึงคุณสมบัติของพระพุทธองเองว่าไม่ลืมหลงถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องมีความไม่หลงแม้กระทั่งอายุจะเป็นร้อยปีถูกต้องค่ ะ, ะแล้วดิฉันเห็นช่วงท้ายค่ะได้พูดถึงเหมือนกับว่าพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นแปลว่าพระพุทธองเพียงผู้เดียวเท่านั้นใช่ไหมคะที่จะมีคุณสมบัตินี้อืมก็พูดที่จะมีความมีคุณสมบัติที่จะช่วยเราสัตว์ได้ ดังนั้นถามว่าคนอื่นที่จะช่วยเหล่าสัตว์ได้ก็ก็อาจจะมีแต่ในความเห็นสมาช น, นะคิดว่านอกจากพุะเจ้าแล้วก็อาจจะมีคนอื่ น, นที่ไม่ป่วยก็มีอย่างพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยก็จะก็จะไม่ป่วยลักษณะว่าเป็นโรคที่ไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ <Okay. S 1> คงจะมีคงจะมีคนอื่นที่ที่มีคุณสมบัตินี้แต่ถ้าถ้าจะพูดถึงความที่พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยสัตว์นะให้มีความที่ เพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขนี่นนคือมีนยัยยะอื่นๆด้วยนะมีนยัยยะอื่นๆด้วยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าเรื่องสุขภาพดีคนอื่นอาจจะเป็นได้อยู่ค่ะ <c oughs> คือเรียนเข้าใจว่าคงจะหมายถึงธรรมะของพระพุทธองค์หรือป่าคะใช่ใชที่ว่าจะช่วยสรรพสัตว์ให้อนุเคราะห์โลกเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นค่ะเท่ากับว่าที่ไปเวสาลีกันนั้นก็เพื่อที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ ในครั้งที่ยังไงคะมีภิกษุณีหรือว่าครั้งที่ได้ตราดกับพระส า, ารีบรุตรที่ที่เราไปตรงนั้นเนี่ยเราก็มีเวลานั่งสมาธิห่1ชั่วโมงเต็มเพราะฉะนั้นก็บอกเรื่องราวทั้งนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่การอนุ ญ, ญาตให้มีภิกษุณีทำไมเหตุอะไรหนึ่งพูดถึงตอนที่ธรรมะอื่นๆที่อยู่ที่นี่ด้วยพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นี่หลายปัรษา S <S <S <S หมวดทำอื่นๆตอนนั้นพระรูปเจ้าท่านพระอนนไปบินทบาทพูดถึงการที่เจ้าลิชวีเนี่ยสามารถยิงธนู ล, ลอดช่องดานได้จากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยก็ได้พูดถึงธรรมะหมดนี้เวลาถัดมาก็ยังได้พูดถึงตอนที่ทีท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับพระรูปเาพระรูปเจ้าได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรตรงนี้แล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องที่พระรูปเจ้า p r o l อายุสังขาร p r o l ที่นี่ด้วยเหมือนกันถูกต้องถูกต้องการเห็นเมืองเวสาลีนี้จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้าย และนี่ก็เป็นพุทธพจน์ ท, ที่หลายคนต้องได้ขึ้นใจแล้วก็ได้ตรัสที่นี่ค่ะเพราะฉะนัะ้นมาที่เมืองนี้ก็อย่างน้อย 1-2-3 สองสามครั้งด้วยกันส ค, ครั้งด้วยกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ครั้งในคนละช่วงเวลาเนี่ยมากล่าวให้ฟังนะที่นี้เวลาเดียวกันนี่แหละค่ะ0ปีต่อมาค่ ะ, ะซึ่งสำหรับผู้ที่ไปถ้าหากว่าในลักษณะที่ไปกับท่านพบรบูเนี่ยนะคะท่านฟังก็คือจะได้ ฟังพุทธวจนะที่พระพุทค์ได้ตรัสเอาไว้เองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเมือง น, นั้นๆใช่ใช่ใช่เช่แล้วก็ได้ข้ออัดข้อทํากันหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นความรู้เรื่องภิกษุณีเนียเ่ยนคิดว่าไหนๆท่านแวะมาตรงนี้แล้วคนไทยเนี่ยยังมีความสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทไมพอพูดถึงภิกษุณีปุ๊บเนี่ยจะเกิดความเห็นที่เหมือนกับบางคนก็บอกว่า เห็นแย้งว่าไม่ควรมีภิกษุณีในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงอยากทราบว่าภิกษุณีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรคะท่านคะก็ะถ้าพูดถึงนักบวช ท, ที่เป็นผู้หญิงนักบวชที่เป็นผู้หญิงอันนี้ไม่ใช่ความเห็นธรรม า, าลแลเป็นความเห็นพระพุทธเจ้าโดยซ้ำที่ว่าไม่ต้องการให้มีภิกษุณีเพราะว่าจะทําให้คําสอนศาสนาเนี่ยมีอายุสั้นลงังนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าป้องกันยังไงนะคืออนุ ญ, ญาตให้มีเนี่ยมีได้แต่ก็ด้วยการมีวิธีการป้องกัน คือป้องกันเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ศาสนามีอายุสั้นคือบางคนอาจจะหลายคนอาจจะพูดถึงว่าศาสนาจะอายุสั้นลงถ้ามีภิกษุณีนี้เป็นพุทธพอดูแลด้วยแล้ววิธีป้องกันล่ะพระเจ้าก็ออกแบบวิธีป้องกันเอาไว้นั่นก็คือด้วยกุรุธรรมแปประการกุรุธรรม8ประการเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ศาสนามีอายุสั้นถ้าภิกษุณีทําได้ในการที่จะมีภิกษุณีเพราะฉะนั้นในเรื่องของกุรุธรรม8ปประการเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่า ทำนบเนะี่ยที่เขากั้นน้ํามันแตกออกแล้วแต่พนะุทธเจ้าก็เอาทำนบเนี่ยขนดินเข้าไปเพื่ออุดรูตรงนี้แล้วนะก็เปรเียบเหมือนท่านพระอนนเนี่ยมาขอจกนกระทั่งให้บวชล่าบวชก็บวชได้แต่พุทธเจ้าก็ออกกุฎ ธ, ธรรมแปประการเหมือนมาอุดรูตรงนี้เนะี่ยตรงนี้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุณีจะมีอยู่นะ่ยก็ต้องปฏิบัติตามกุฎธรรม8ปประการอันนี้มันเหมือนเรื่องชัดเจนอยู่ละ น, นต้อง <'K ha. S 1> ปฏิบัติตามศีลของท่านค่ <'K ha. S 1> นะงั้นเนะพื่อความเข้าใจอย่า ง, ทงแท้บางคนเนี่ยจะ สรุปแค่ตอนแรกเท่านั้นว่าพระเจ้าบอกให้ไม่มีมีภิกษุนีไม่ได้เดี๋ยวจะศาสนาอายุสั้น<ช>แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านทรง<ก>ห่งยยหวงใยในเรื่องของคุณธรรมแปดประการอันดับแรกก็คือภิกษุณีเนี่ยถ้าบวชแม้ตั้งร้อยปีก็ต้องลุกขับการมีการกราบไหว้กับภิกษุแม้เพิ่งบวชในวันนั้นแล้วก็ที่2อภิกษุณีก็ต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุจำพรรษาอยู่แล้วก็ภิกษุนีเนี่ย จะต้องเข้าไปฟังคําสั่งอนจากภิกษุทุกกึ่งเดือนส่วนข้อที่สนะภิกษุณีเนี่ยก็ต้องมีการปร a v a n ในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุด้วยฝ่ายภิกษุณีด้วยคือปร a รณ n เนี่ยหมายถึงวันออกพรรษาจะต้องมีพิธีการปรา v ณ n a กันของพระสงฆ์ซึ่งภิกษุณีต้องทองํา2ฝ่ายข้อถัดมาเวลาที่มีอาบัตหนักเช่นอ ბ ัตสังการที่เศษอย่างนี้เป็นต้นภิกษุณีก็ต้องประกาศตัวเองในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันคือทำส2ครั้ง แล้วก็ในเรื่องของการมาบวชเนี่ยก็ต้องเป็นสิกขาบรน า, าก็คือเป็นสามเณรีในะลักษณะนั้นนะอยู่ก่อน2ปีนะจึงสามารถที่จะมาบวชได้ซึ่งในเรื่องนี้ท่านาพระแม่ น, น้นานางนางประหารประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ได้ทํามาก่อนนะก็จึงอนุญาตให้บวชตรงนี้แล้วนา่งภิกษุณีก็จะด่าภิกษุว่าภิกษุอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะก็สุดท้ายก็คือนั่งภิกษุณีเนี่ยจะไม่ สอนสั่งสอนภิกษุนะจะให้ภิกษุสั่งสอนนางภิกษุนี้เท่านั้นนะ น, นี่คือแปดข้อที่ต้องประพฤติกระทําตลอดชีวิตนะไม่ละเมิดเลยอืมค่ะค่ ะ, คะท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เราก็ได้ความรู้นะคะว่าในขณะที่ทรงไม่อยากให้มีภิกษุณีเพราะกลัวพระพุทธศาสนาอายุสั้นแต่เมื่อห้ามไม่ได้ก็เลยอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าต้องเคร่งครัดกับสิ่งที่เรียกว่าคาุธรมรมแปดประการดังที่ท่านเพบูบุ์ได้กล่าวไปแล้วดิฉนันหมายความดิฉันเข้าใจว่า ทรงให้เคารพพระภิกษุแม้ว่าจะบวชน้อยกว่าอืมในทุกกรณี ใ, ในทุกกรณีในทุกกรณีค่ะแล้วก็อยู่วัดที่ไม่มีพระภิกษุก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอืมก็ก็ลักษณะนั้นตามนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวเหล่าเนี้ยเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าตรัสไว้ที่ป่ามาหาวันในเมืองเวสาลีคือตรงนั้นค่ะบรรยากาศเป็นยังไงคะที่นั่นสําหรับ ก็จะมีเสาอโศกอยู่ต้นหนึ่งที่เขาว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์มากที่สุดดูแล้วก็สมบูรณ์ดีนะยังมีสิงโตโหงดงานมากอยู่ข้างบนหัวเสาตัวเสาก็ยังเรียบร้อยอยู่พอสมควรคะดิฉันไม่เคยไปนะคะทั้งทั้งที่เดินทางไปเพื่อที่จะกราบไหว้สังเวชนียสถานในหลายครั้งอืมค่ะก็เป็นที่เหมือนกับเป็นแหล่งทางโบราณนคดีแหล่งขุดค้นทางโบราณคดใหญ่โตไหมคะพูดถึง สำหรับร่องรอยของพระพุทธองค์ที่เวสาลีมีเจดีย์อยู่หลายอย่างก็ใหญ่พอสมควรนะมาคิดว่าต้อง1ิไร่นะประมาณนี้หละคิดว่านะดูจากคร่าวๆแล้วก็พูดถึงตรงจุดในบริเวณนั้นก็จะมีปาวาลเจดีย์ด้วยนะซึ่งปาวาลเจดีย์เป็นสถานที่ที่พระเจ้าปรงอายุสังขารแต่อยู่ในบริเวณของเมืองเวสาลีเนะมืองเวสาลีก็จะมีอยู่หลายจุดนะมีปาวาลเจดีย์มีบ้านเวรุวะคาม จุดที่อยู่ตรงนี้นคือป่ามหาหวันที่เราไปนั่งสมาธิกันเพราะว่าที่อื่นมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการที่จะเซตอัพอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยอ๋อค่ะป้าวาระเจดีที่เป็นพุทธพจน์ที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะลงอายุสังขารลงอายุสังขารเป็นอย่างไรคะท่านคะคือตอนนั้นพระเจ้าก็80ปีแล้วท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลนะต่างๆนี่ก็ปฎิณิพาน์ากันไปล ะ, ะเป็นรรษาสุดท้ายพระเจ้าตอนนั้นก็จำราษาที่เมืองเวสารีนี่แหละ จำพรรษ า, าที่นั่นแล้วก็พอออกพรรษาแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปออกจากบริเวณปามหาวันไปละนมาถึงบริเวณปาวารเจดีก็ได้ทําการปรองอายุสังขารในที่นั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสันสตันสะเทือนทําไมถึงปรองอายุสังขารเพราะว่ามานเนี่ยปรารบเหตุที่ว่ามานมาบอกถึงการที่คําสอนของพระเจ้าเนี่ยมันมั่งคั่งรุ่งเรืองแล้วมีภิกษุภิกษุณีเรียบร้อยแล้ว ไหนบอกว่าจะยังไม่ปริิพานธ์นจนกว่าที่จะมีภิกษุภิกษุณีคําสอนต่างๆตั้งมั่นรุ่งเรือ ง, งก็ตอนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิิพัน์นเถอะว่ายอย่างงี้ฮะซึ่งพระเจ้าก็เลยอ่ะงั้นไม่ต้องถามอะไรมากพูดกันมาก3เดือนจะปริพินธานนะพอตั้งใจอย่างนี้ปุ๊บแผ่นดินก็สั่นสะท้านสะเทือนบึ้มขึ้นมานะท่านพระนนอยู่ในที่นั้นก็เลยอ๋อทำไมแผ่นดินไหวก็เลยไปถามพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เลยบอกว่าฉันปร ะ, ะฉันปรงองดุสังฆาลแล้ว นะมีเหตุอยู่แอย่าง1ใน8อย่างนั้นคือเรื่องการ p r o l o อายุสังการของพระองค์นะท่านพระอนุ์ก็เลยขอในการที่จะให้พระเจ้าดํารงชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งกับคนะาถาตรงนี้เป็นคาถาที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอานนุลนะที่เป็นเรื่องที่น่ า, าสังเวชมากเลยน่าเสียใจนะว่าพระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าในบัด น, นี้เรามีสติสัมปชัญญะ p r o อายุสังการแล้วณนะป่าวะลาเจดีแห่งนี้ ตาโคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังการนี้แต่ที่ไหนเหล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่เป็นไม่ได้มีไม่ได้สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคน่านและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนก็ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างม่อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบอยู่ก็ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทําไปแล้วพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจละชาส่งสารทาที่สุดแห่งทุกได้ตรงนี้คือพุทธกฏ ท, ทิวาสอนทุกข์ค่ะท่านฟังค่ะอันนี้เป็นพุทธกฏ ท, ที่สําคัญมากนะคะแล้วก็เมื่อเราคิดตามเนี่ยแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังต้องดับสังขาร น, นะคะใช่แล้วก็ทําให้เราได้คลิปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทรงเป็นบรมศาสด า, ศ า, ศาคือเป็นครูที่ยิ่งใหญ่สอนตลอดเวลาสอนว่าถ้าเราไม่ประมาท ก็จะจากเขาเรียกอะไรคะพ้นจากความทุกข์ได้พนจากความทุกข์ได้คือในข้อความตรงนี้มีทั้งอให้สังเวทแล้วก็มีวิธีแก้อยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เดงว่าสําหรับคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยพอฟังพุทธพจน์นี่ใจหายจริงๆอืมใจหายทุกครั้งแล้วก็บางคนก็เลยพลอยเขาเรียกว่าอะไรคะนึกถึงพระอานุนว่าเอ๊ะทาไมพระพุทธองค์เนี่ยให้ทัทานเอาไว้ทั้งหลายรอบแล้วไม่ยอมเออ จึงทําให้แทนที่จะมีพระพุทธเจ้ามีพระชนทีปอยู่ยาวนานต่อไปอีกออต้องมายอมตามที่มารทูนขอใช่อย่างนี้ถือว่ายอมตามที่มารทูนขอเก็เป็นไปตามเหตุคุณโยมเต๋ยวเป็นไปตามเหตุคเป็นไปตามเหตุเพราะว่าพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพธรรมเป็นผู้ที่เคารพธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเหตุคือทําเป็นอย่า ง, างนี้อย่างนี้มาก็เป็นไปตามอย่างนั้นแล้วตอนนั้นก็80สิบแล้วก็สมควรแล้วแก่ ง, งอมด้วยพระพุทธเจ้านะ สาธุค่ะท่านบวนที่เคารพค่ะแต่ว่าดิฉันคงจะต้องสรุปสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านบวชค่ะๆๆที่เมืองเวสาลีปาล่ามหาวันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายแล้วท่านก็ได้นำเอาพุทธพจน์ ท, ที่พระพุทโงตรัสไว้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไปสาธยายที่นั่นให้กับชาวคณะได้มีการปฏิบัติธรรมในลักษณะที่เข้าถึงเหตุการณ์ดิฉันแอบไปทราบมาว่าบางคนเนี่ยเขามี ความรู้สึกพิเศษกับสถานที่นั้นๆด้วยแต่เดี๋ยวเอาไว้ค่อยดูความเหมาะสมกันนะคะว่าควรจะเล่าหรือไม่อย่างไรเด<า>ี๋ยวขอหาฤทัยอ า, อาจารย์ก่อนในคราวต่อไปคราวนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านเพบูลนะคะเชินพานค่ะท่านฝังที่ครบค่ะที่ท่านใช้เวลามาอาจจะลดเกินทุกคนต้องลากันสั้นๆว่าติดตามรับฟังรายการสัสสมมนาซึ่งตั้งใจให้ท่านได้ทั้งในภาคของการที่สังสมสุตตะหรือว่าฟังธรรมรู้ธรรมมากขึ้นกับการที่ได้เข้าสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นกุศลของตัวของท่านเอง แล้วก็คนที่ท่านอยากที่จะอุทิศกุศลนี้ให้ด้วยติดตามรับฟังรายการตามรอยสาธาการเดินทางไปจาริกธรรมที่สังเวชนียสถานกับรายการสังสนิสนทนาและพระจันทร์ไผ่ปูนอภิปุณวัตรปารนหายโศกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะคิณทวสวัสดีค่ะ